สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเปเรซูตอนที่สองร้อยสิบเจ็ดตอนมืดมัวฝ่ายวิญญาณตอนที่หนึ่งครับเพราะเจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้อยู่ในพระธรรมยอญบทที่หกข้อที่สิบหกจนถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดพระธรรมยอนบทที่หกข้อที่สิบหกถึงข้อที่ยี่สิบเอ็ดโปรดฟังเพราะเจนะของพระเจ้าพอขําลงเหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ไปที่ทะเลสาบ แล้วลงเรือข้ามฟากไปยังคาเปร์นาอุมมืดแล้วแต่พระเยซูก็ยังไม่ได้เสด็จไปถึงเขาทะเลก็กำเริบขึ้นเพราะลมพัดกล้าเมื่อเขานั้งหลายตีกันเชียงไปได้ประมาณห้าหกกิโลเมตรเขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดำเนินมาบนทะเลใกล้เรือเขาต่างก็ตกใจกลัวแต่พระองค์ตรัสแก่เขาว่านี่เราเองแหละอย่ากลัวเลยดังนั้นเขาจึงรับพระองค์ขึ้นเรือด้วยความยินดี แล้วทันใดนั้นเรือก็ถึงฝั่งที่เขาจะไปนั้นพี่น้องครับในพระจนะของพระเจ้าในพระธรรมยอห์นที่หกนี้ก็ตรงกับมัทธิวบทที่สิบสี่ข้อย2 2 3ิบสองยิบสามและมาระโกบทที่หกข้อสี่สิบห้าถึงข้อที่ห้าสิบสองครับตามท้องเรื่องเหล่าสาวกนั้นได้ลงเรือไปอยังเบตไซดาตามที่พระเยซูตัดสั่งพระเยซูทรงให้ประชาชนไปเสียก่อนครับและพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อที่จะอธิษฐานแต่ลาพัง ผู้เขียนพระกิตติคุณทั้งสาเล่มนะครับก็บอกกับเราให้ทราบว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงกลางวันต่อกับกลางคืนครับเพราะว่าใช้คำว่าเมื่อค่ำลงแล้วเมื่อดูจากเวลาของแต่ละวันนะครับในการรับใช้ของพระเยซูนะครับเราก็จะรู้ว่าพระเยซูนั้นเสด็จตื่นแต่เช้ามืดนะครับเข้าเฝ้าพระเจ้าหลังจากนั้นก็ปฏิบัติพระเจ้าตลอดทั้งวัน นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเข้าเฝ้าพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งพี่น้องครับพระเจ้านะพระเจ้าทําให้เราเห็นถึงชีวิตประจํำวันของพระเยซูในการรับใช้พระองค์แสดงว่าพระเยซูเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานนะครับแล้วก็จบวันด้วยการอธิษฐานการอธิษฐานนั้นคือการพึ่งพาและพึ่งพิงในพระรัตนุภาัของพระเจ้าในขณะเดียวกันก็เป็นความหมายมีความหมายของการท่อมใจของเราทั้งหลายลงรับ การช่วยเหลือนั้นและยอมรับว่าเราทั้งหลายซึ่งเป็นมนุษย์เป็นลูกของพระเจ้าแม้ว่าเราจะมีศักดิ์ศรีเราจะมีสิทธิในการรับมรดกของพระองค์แต่เราก็ยังต้องพึ่งในพระคุณความรักของพระองค์อยู่ดีพึ่งในพระกำลังและลิขหานุภาพของพระองค์ในแต่ละวันและตอนกลางคืนก็ยังต้องถวายรายงานการรับใช้ของเราต่อพระเจ้าพระบิดาเหมือนกับที่เปียซูได้เข้าไปเฝ้า เพื่ออธิษฐานกับพระองค์แต่ลําพังพี่น้องครับอยากจะให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นคริสเตียนหลายในท่านที่ฟังอยู่นี้เป็นผู้ได้รับใช้พระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลาก็ดีพี่น้องครับเราทุกคนเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนกันครับเราจะต้องถวายรายงานในวันสุดท้ายของเราแต่ขออย่าให้เราจะถวายรายงานในวันสุดท้ายของเราด้วยความรู้สึกที่ไม่ดีเป็นความรู้สึกที่แย่หากว่าเรา สามารถหรือเราปรารถนาที่จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเจ้าเราต้องเรียนแบบพระเยซูครับในการที่เราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าแต่เช้ามืดและพอตกกลางคืนนะครับเราก็ต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าถวายรายงานแด่พระองค์พี่น้องครับในท้องเรื่องนี้ได้เขียนไว้อย่างนี้นะครับมีลมพายุพัดแรงกล้าย้อนกล่าวว่าเมื่อลมพายุเริ่มพัดแรงกล้านะครับทําให้สาวกอาจจะคิดถึงเมื่อคราวที่แล้วมีพายุพัด ลงมาจากภูเขาขณะที่พวกตนข้ามทะเลกกลลีแล้วทำให้เกิดคลื่นลมแรงเกิดพายุนะครับแต่ครั้งนี้ครับพระเยซูไม่ได้บรรทมหลับอยู่ในเรือเพราะว่าพระเยซูไม่ได้ไปด้วยเราทราบว่ามีชาวประมงอย่างน้อยสี่คนซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของพระเยซูติดตามพระเยซูมาตลอดคนสี่คนนี้อย่างน้อยนะครับคุ้นเคยกับน่านน้ำในแถบนี้มาก เพราะว่าเขาทำมาหากินเขาจับปลาอยู่กับกร ะ, ะเลนแถบนี้พายุแบบนั้นนะครับเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันครับลมเย็นๆรอบภูเขาเฮอร์โมนซึ่งสูงประมาณเกือบหนึ่งหมืนฟุตนะครับห่างจากฝั่งทะเลประมาณสี่ถึงหกกิโลเมตรทำให้เกิดพายุได้ครับพี่น้องครับ มาระโกบทที่หกข้อสี่สิบแปดกล่าวว่าพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกันเชียงลําบากเพราะทวนลมอยู่น่าสนใจนะครับเพราะว่าการตีกันเชียงนะครับทวนลมเนี่ยเป็นเรื่องที่ลําบากมากนะครับและมาระโกกับมัตถิวก็บันทึกเช่นเดียวกันกับยอนครับว่าพระเยซูเสด็จมาหาเขาในช่วงยามที่สี่นะครับยามที่สี่ยอนกล่าวว่าพวกเขานั้นไปได้แค่ห้าหกกิโลเมตรเท่านั้นเอง เมื่อเขาเห็นพระเยซูหมายความว่าเขาไปได้ไม่ไกลจากจุดเริ่มต้นเลยครับเนื่องจากระยะกว้างของทะเลนะครับกเลรี่ก็คือประมาณ 12.8 กิโลเมตรเท่านั้นจากตะวันออกถึงตะวันตกแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าพวกเขาออกเรือเมื่อตะวันตกดินแต่ตอนที่เขาพบพระเยซูครับก็ช่วงเวลาประมาณตีสามถึงหกโมงเช้าครับก็แสดงว่าออกเรือไปนะครับไปได้ไม่เท่าไหร่ครับ ในขณะที่มืดนะครับแล้วต้องทวนกระแสลมน้องครับเราจะเห็นว่านี่คือบริบทหรือท้องเรื่องของเหตุการณ์ในวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าพวกเขาได้เห็นพระเยซูครับเห็นพระเยซูเสด็จดําเนินมาหาเดิมดําเนินบนทะเลนะครับบางคนที่ไม่เชื่อเรื่องกอ า, ารอัศจรรย์ก็พยายามที่จะอธิบายว่าพระเยซูเดินอยู่บน ชายฝั่งทะเลซึ่งน้ําตื้นนะครับพระเยซูแค่ลุยน้ำมาเฉยคนที่ไม่เชื่อเรื่องการอาศัศจรรย์นะครับหรือบางคนที่ไม่เป็นคริสเตียนแต่ก็มาเรียนพระคัมภีร์ในต่างประเทศมีเยอะแยะนะครับเขาพยายามอาธิบายเรื่องการอาศัศจรรย์เป็นเรื่องของการมีเหตุมีผลเป็นเรื่องของการทึกทักเอาทั้งสิ้นเพื่อที่จะสร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระเจ้าสร้างความศัดศักดิ์สิทธิ์ให้กับพระเยซู สร้างความ น, นับถือให้กับพระเยซูเท่านั้นพี่น้องครับมัทธิวเล่าถึงเรื่องของซีโมนเปโตรลงจากเรือเพื่อโดนน้ํากับพระเยซูครับสิ่งที่ช่วยยืนยันเราว่าพระเยซูไม่ได้เดินบนน้ํำต้นก็คือในข้อที่สามสิบของพระธรรมมัทธิวได้บันทึกว่าเปโตรจมครับพี่น้องครับเห็นไหมครับในพระคัมภีร์นั้นได้ทําให้เรารู้ว่า แท้จริงแล้วสิ่งที่พังผีพูดทุกๆประโยคทุกๆคํานั้นล้วนแล้วแต่เป็นความจริงทั้งสิน้นกลับมาถึงมาราโกครับมาราโกบันทึกว่าพวกเขาคิดว่าพระเยซูเป็นผีพระเยซูแต่กับพวกเขาว่าทําใจให้ดีไว้เถิดเราเองยากกลัวเลยมัทธิวบันทึกว่าเปโตรทูลตอบพระเยซูว่าพระองค์เจ้าข้าถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วขอทรงโปรดบอกให้คาพรปองเดินบนน้าไปหาพระองค์เถิดพระเยซูแต่กับเปโตรว่าไงครับ เพียงแต่ว่ามาเลยมาเถิดพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะจบลงด้วยที่ว่าเปรโตจึงเดินบนน้ำไปหาพระองค์นะครับเปโตเดินบนน้ำไปหาพระองค์เกี่ยวข้องอะไรกับการมืดมัวฝ่ายจิตวิญญาณครับเราจะเห็นว่าพวกสาวกนั้นคิดว่าพระเยซูเป็นผีผมอยากอธิบายว่าความมืดมัวฝ่ายวิญญาณกับความมืดบอดฝ่ายวิญญาณ น, นั้นอาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับ ความมืดบอดนี่หมายถึงการไม่เห็นอะไรเลยครับการที่เขาหรือคนคนหนึ่งไม่เปิดใจที่จะมองอะไรให้เห็นนะครับปิดตลอดแต่ความมืดมัวฝ่วายวิญญาณนั้นก็คือความมืดมัวความมัวนะครับก็คือมองไม่ชัดครับคิดว่าพระเยซูเป็นผีนะครับมองพระเยซูไม่ชัดว่าพระเยซูเป็นใครหรือว่ามีคนเดินมาเดินไปแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครกันแน่หรือว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้น นะครับคับคล้ายคับคลาว่าจะบอกอะไรสักอย่างแต่ไม่ชัดเจนรู้ว่าคนคนนึ่งกำลังสื่อสารเรากับเรานะครับแต่ความมืดมัวฝ่ายวิญญาณนั้นทําให้เรามองเห็นไม่ได้พี่น้องครับสิ่งนี้เป็นสิ่งน่ากลัวครับถ้ามืดบอดนี้เราบอกชัดครับว่ามันมองไม่เห็นแต่ถ้ามืดมัวนะครับมันคือเห็นลางๆในการเห็นลางๆในฝ่ายจิตวิญญาณนั้นน่าจะเป็นอันตราย สำหรัตัวผมแล้วนะครับก็คือเป็นอันตรายใหญ่หลวงสำหรับลูกของพระเจ้านะครับมืดบอดไปเลยก็ยังรู้ว่านี่มืดบอดแต่มืดมัวครับเป็นประเด็นที่สำคัญน่าสนใจทีเดียวเพราะเหตุที่ว่าถ้ามืดมัวแล้วบอกอะไรไม่ชัดนะครับแล้วพยายามบอกอะไรจะเกิดขึ้นครับจะเกิดความผิดเพี้ยนขึ้นมาได้เกิดการมืดมัวฝ่ายวิญญาณนั้นถ้าว่าเป็นเกิดกับชีวิตของผู้นา ก็แสดงว่าจะทำให้ผู้ตามนั้นก็หลงไปตามทางของเขานี่คือประเด็นแรกในเช้าวันนี้ครับขอพระเจ้าที่อย่าเปิดตาเรานะครับอย่ามองพระเยซูให้เป็นผีครับมองพระเยซูให้ถูกต้องตามที่พระองค์เป็นพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นจอมเจ้าหน่ายเป็น king of kings เป็น lord of lords เป็น the wonderful counselor พระเยซูทรงให้คาปรึกษา เป็นที่ปรึกษามหาสัจจันท ร, ร์ของเราได้เยซูทรงพระชนอยู่พระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและพระองค์ทรงทรเป็นพระเจ้าผู้สูงสุดเพราะฉะนั้นพระองค์ทรงทรเป็นผู้เดียวที่สมควรแก่การสรรเสริญให้ทุกลิ้นทุกเข่าจะกราบลงและร้องสรรเสริญว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าพี่น้องครับอย่าสงสัยนะครับแต่ให้เราที่จะกล้าเดินบนน้ํากล้ามีชีวิตอยู่บนความเชื่อหลายหลายครั้งทีเดียว พระเจ้าเรียกบางคนออกมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างแต่คนบางคนนั้นไม่ตอบสนองเพราะว่าเขามองพระเยซูไม่ชัดเมื่อเขามองพระเยซูไม่ชัดเขากลัวครับแต่ขณะที่เปโตรนั้นได้มองเห็นพระเยซูโครงทรงรู้ครับถ้าเป็นพระองค์แน่แล้วโปรดบอกให้ข้าทรงเดินบนน้ําไปหาพระเยซูพระเยซูตอบว่ามาเลยแสดงว่าเปโตรแน่ใจนะครับเปโตรก็กล้าที่จะเดินบนน้ํา อยากจะให้พี่น้องรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยนะครับเห็นพระเยซูชัดชัดทุกวันเพื่อที่เราจะได้รู้ครับว่าพระองค์ปรารถนาสิ่งใดให้เราใช้ชีวิตของเราในการเข้าเฝ้าพระเจ้าตอนเช้าเพื่อที่จะรับคําสั่งจากพระองค์เพื่อที่จะเข้าใกล้เจตสิ ก, กับพระองค์เพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์ของเราทั้งหลายนั้นแนบแน่นกับพระองค์และในตอนค่ําตอนกลางคืนเราจะต้องถวายรายงาน และรับคำปรึกษาจากพระองค์เพื่อที่ในเช้าวันใหม่อีกวันหนึ่งในวันรุ่งขึ้นและวันต่อไปถัดๆไปนั้นเราจะมีชีวิตที่เติบโตกับพระเจ้าเราจะมีความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าในขณะเดียวกันเราจะประสบความสำเร็จในการรับใช้พระองค์ปฏิบัติพระองค์ปฏิบัติมวลชนและประกาศข่าวประเสริฐขยายแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปอเมน